เสร็จ แ, แล้วผู้ที่พิจารณาอย่างนี้มากๆก็ เ, เว้นขาดโดยการข่มได้เนี่ยนะผู้เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและมีดเพราะอารว่าเป็นของฝันย่อมเว้นขาดจากกามโดยการข่มไว้วัตถุทั้งหลายนี่นะที่เราไปเกี่ยวข้องที่เราไปสแสวงหาเหมือนเหมือนมีดใช่หมมีดหันมีดทาครัวเป็นงไงใครไม่เคยถูกมีดบาดนั้ง นั่นแหละวัตถุไหนที่เราไปเกี่ยวข้องแล้วไม่บาดใจเราบ้างหรืมีไหมไม่บาดกายก็บาดใจอ่ะนี่มีอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับดาบเหมือนกับมีดเลยอ่ะเหมือนกับของมีคมมันทิ่มมันแทงเราอ่ะนะนะคุณนงนะโรงงานสี่โรงงานเป็นยังไงทิ่มใจบ้างหรือเปล่าตอนก่อนน่ะตอนนั้นอ่ะนะไม่สนใจเลยนะดีแล้วนี่นนอา้อาวอ้าวก็ แล้วมันแทงใจแล้วไหมเอ้าตัดใจได้เลยนถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็แยกนะแล้วลยิ้มไม่ตอนนั้นยมเอเฉยๆเพราะยัไม่ได้ทำอ๋อเพราะไม่ได้ทำก็เลยไม่ยิ้มนเลยแต่โดยทั่วๆไปแล้วนะก็ทุกอย่างที่ไปเกี่ยวข้องนี่เหมือนดาบนะฟันกระบาลแบกกลับมาเลยอะ่ะทุกอย่างทุกอย่างนะที่ไปเกี่ยวข้องอย่างที่สอนเราว่าไม่มีที่ดินที่ไหนลอกที่มันเนี่ยนะโอโอก็ไปมีแต่เนี่ยไปฟันกระบานแบกกลับมาทั้งนั้นอ่ะนะ ไปโทรมนัดกับสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นอนะ่ะยิ้มไม่ออกกับสิ่งนั้นทั้งนั้นเนะี่ยมีอะไรก็ยิ้มไม่ออกไอ้ของพวกนั้นนั่นแหละน้ยิ้มมีความสุขกับสิ่งเออดีเหลือเกินนะัมีสิ่งนี้มีสิ่งที่มีแล้วยิ้มได้คือทานศีลเป็นต้นเนี่ยมีแล้วจึงจะยิ้มได้ถ้าไม่ใช่พวกนี้นะที่เหลือเนี่ยโอ้ยไม่รู้เย็บมากี่เข็มกันแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถูกเย็บมาทั้งนั้นนลยนั่นแหละ พอทานศีลเป็นต้นนึกแล้วจึงจะยิ้มอะที่เหลือเนี่ยนึกแล้วมันขยิ้มเท่าไรหรอกเชื่อเนี่ยนะยิ่งนึกถึงไอ้ที่ไปโทรมานัดที่ไปมียพิชชาด้วยแล้วนึกแล้วก็แหมาบาดใจทุกครั้งเลยนะวัตถุทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องเหมือนดาบเหมือนมีดเนี่ยนะมันเฟา่อฟันเนี่ยนะบางอย่างก็ฟันกายมาจริงๆนั่นแหละบางอย่างก็ฟันจิตใจมาเป็นอย่างมากนะกระเทือนใจมาเป็นอย่างมากแปลง่ายๆว่ามีใครมั่งที่เรารู้จักแล้วอ่ะ เรามีความสุขตลอดเลยไม่เคยโท่มนัดเพราะวัตถุนั้นนั้นไม่มีหรอกนํามาอย่างน้อยก็ไม่สบายใจหน่อยหนึ่งอะเครียดหน่อยหนึ่งอะอย่างน้อยก็เรียกว่า น, นั่นแหละเรียกว่าเหมือนกับมีดเหมือนกับดาบมันฟาดฟันเอาแล้วเนี่ยนะมีร่างกายนี่มีส่วนไหนบ้างอ่ะนะที่มันไม่สร้างปัญหาให้เราเลยนะมีไหมคนมีบุญมากนะที่ที่ไม่สร้างปัญหาให้ตลอดอนะนะมีวัตถุนั้นแล้วไม่เดือดร้อนกับสิ่งนั้นอนะแต่จริงไม่ใช่เลยนะเมื่อก่อนตอนมาใหม่ๆอาจารย์กสอนก็ชมว่าฟันเขาดีมากเัยนะ ปีหลังผ่านไปก็บอกเขาทร ม, มานเพราะฟันเนี่ยมากสแสดงว่ามันไม่แน่จริงแะ้วอืมอา้าวไม่ใช่เพราะมีฟันเหรอเอาถ้าไม่มีนะถ้า <c oughs> <c oughs> ต้นเนี้ยเราไม่โทษไม่ไม่โทษว่าต้นเหตุเรามีฟันเ <c> ห <oughs> <c oughs> ็นไหม ก็ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุใดนะมันเหมือนมีดเหมือนดาบทั้งนั้นแหละทีนี้ต่อไปบอกว่าผู้เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหมือนเหลาเนี่ยนะเหมือนหอกนะที่มันปักมันทิมมาตลอดอ่นะเป็นชนะปักทิมติดตัวมาตลอดนะนะคุมชูนะนะถูกปักมาทั้งหลายเรื่องแล้วนะเรื่องโ้นก็ถูกปักมาเรื่องนี้ก็ถูกปักมาเนี่ยนะ ก็แสดงว่าแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยหไม่ได้หน้าพิศวาสหน้าเชื่อมชมอะไรหรอกเนี่ยนะเหมือนหอกเหมือนลาเนี่ยนะถูกปักอยู่ตลอดนะนะ่ก็ถ้าเหมือนหอกเนี่ยก็ชัดนะนะถ้าเหมือนเหลาเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่นั่งอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนะเคยเห็นเขาถูกจับเจี๊ยบก้นเอาไว้ไหม ไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ถูกเสียบไว้ตรงนั้นแหละอยู่ด้วยความอึดอัดอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานเนี่ยถ้าพูดถึงตาแหน่งทั่วๆไปใช่ไหมใครที่นั่งตําแหน่งนะตำแหน่งพ่อบ้านตําแหน่งแม่บ้านตําแหน่งอะไรก็ช่างมันนั่งอยู่ด้วยความจําทนซะส่วนใหญ่เนี่ยนะลุกก็ไม่ได้มันอึดอัดนั้นขยับตัวก็ไม่ได้มันเหมือนหลาทิ่มจริ ง, รงๆอ่ะนะทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างอะ่ะถ้านั่งตําแหน่งเจ้าของเป็นต้นนั่งในตําแหน่งผู้ดูแลนั่งนัในตําแหน่งผู้บริหารโดยทั่วไปแล้วเหมือนนั่งอยู่กับหลา นะไม่ได้มีใครนั่งเย็นจริงๆหรอกเนี่ยนะถ้านั่งเย็นจริงๆนะทุกคนจะรักงานกว่า น, นี้เยอะแหละแต่นี้ไม่ใช่ใช่ไหมไอ้ที่นั่งแล้วเย็นคือนั่งเจริญสมมถวิปัสนาตอนที่สมถวิปัสนามันเจริญเนี่ยนะแต่มัไม่ใช่อริยาบทนั่งแต่ท่านนั่งธรรมดาทั่วไปราคาก็ทิมมาเอามั่งโทสะก็ทิมเอามั่งปัญหามาทิมมาแทางเอาวั้งเลยนะมันแต่ละอย่างที่ไปเกี่ยวข้องมันทิมมันแทงกลับมาอย่างนั้นแหละหรือว่าผู้ที่เห็นว่าการทั้งหลายเนี่ย เปรียบเหมือนหัวงูเพราะเป็นของหน้าสะเพงกลัวเนี่ยนะแต่ละอย่างได้ถามว่าหน่ากลัวหรือไม่หน่ากลัวหน้ากลัวถ้ามีวัตถุ น, นั้นเป็นอารมณ์นะนรกได้ทั้งหมดแหละอบายทุกขติวินิบารได้ทั้งหมดนั่นแหละ น, นะแต่ละอย่างนี่เหมือนหัวงูนะดูก็วิจิตดีอ่ะแต่ว่าถ้าโดนสิ่งนั้นกัดคอจะว่าไ ง, างนะจำนวนละคนที่ยิ้มสวยๆนะั่นรอยยิ้มมันนั้นแหละถ้าหันมาด่าเราจะว่าไงก็ไม่สนุกแล้วนะ โอ้โห oh, ถนนเนี่ยสวยมากอะนะถ้าเราเอาถูเอาขานขาของเราไปถูถนนอันนั้นจะเป็นยังไงยิ้มไม่ออกเลยนะ น, นั้นพวกเนี่ยเหมือนหัวงูะนะมันวิจิตแต่ในตอนดูตอนแรกอะแต่ในที่สุดนะนะสิ่งเรานั้นก็ตามกัดเราเนี่ยนะนะเรามันน่ากลัวนะแต่ละอย่างเพราะว่าค้นหาดูเถอะตรงไหนมั่งไม่มีสัตว์ในอาบายอยู่เลยไม่มีหายากเต็มทีอย่างพรมเนี่ยพรมเนี่ย ถ้าเราดูดฝุ่นนะดูดได้ห้าเปอร์เซ็นตท่านั้นเองไม่ได้ดูดสัตว์ออกจากในนั้นทั้งหมดได้จริงๆนะนที่นอนที่ถ้าว่าเรานอนอยู่คนเดียวเนะี่ยแลายตัวตัวอื่นๆเนี่ยนะลายฝุ่นอยู่ในนั้นเท่าไหร่อ่ะที่อยู่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยนะไปนอนอยู่ด้วยกันหายใจเข้าไปเป็นต้นเนี่ยสัตว์ทั้งนั้นแหนละเนี่ยเข้าไปกับลมหายใจเนี่ยอันผู้ที่พิจารณาว่าสิ่งแต่ละอย่างน่าสะเพงกลัวอันนี้ก็เว้นขาดจากกามได้ เแล้วเขาถามว่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ไม่ดีหรือเนะเอ้ามันมีก็ดีแล้วเราก็ใช้มันให้เป็นใช่ไหมเราก็มีความสุขกับสิ่งนั้นอ่ะนะใช้ทีวีให้เป็นเราก็ดูทีวีอย่าให้ทีวีมันดูเราเอ่ะนะตอนเขายกไปว่าไงเอายิ้มแป้เลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกนี่ย น, นะมีอะไรแล้วก็ถ้าเพลิดเพลินกับสิ่งใดนะสิ่งนั้นไม่นําทุกมาให้ในภายหลังจริงๆอ่ะไม่มีหรอกเนี่ยนะก็นำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลัง หรือว่าผู้ที่เห็นกามทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนกองไฟเพราะเหมือนว่ากองไฟใหญ่ที่ทําให้เล่าร้อนเนี่ยเหมือนกับว่าเราจําเป็นจะต้องดูแลหน้าเตาตลอดอ่ะที่มันเป็นไฟกองใหญ่ใช่ไหมอ่า น, นะดูแลไฟแล้วต้องหาฟืนมาใส่มันตลอดเวลาต้องดูแลมันตลอดถามว่ามันจะเผาเล่าร้อนขนาดไหน น, นะเจ้าหน้าที่ดูแลฟืนใส่ไฟที่มันใหญ่มากนะเอาต้องหาฟืนมาถมเนี่ยนะไปหาฟืนก็ยากมาถมมันก็ร้อนอยู่งั้นนะนี ทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันกองไฟดีๆนี่แหละเนี่ยเนมันเดือดร้อนเร่าร้อนกันทั้งนั้นเน่ยนะเข้าครัวนี่ร้อนหรือเย็นเนี่ยเนะี่มันทางการสออาจจะไม่ค่ยร้อนนะร้อนหรือเย็นไม่ร้อนนะดีแล้วใช่ขวดซีอิ๊วแตกเนี่ยนะก็เก็บไปเออมันก่อนเนี่เดินไปปัดยังไงขวดซีอวแตกกันหนึ่งนะอ้าเก็บไปมันร้อนหรือมันเย็นกันมันน้อตอนนั้นนะ เงือแตกพลักแล้วแหละคุณบรรจุวอกเงือแตกเดีย๋ยวว่าเอออย่าว่าเลยพาคก็ยังเงือแตกกันนั้นนั้นไหนมันเนี่ ย, ยวัตถุกรรมก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่วัดแล้วมันจะเย็นนะไม่ใช่หรอกเจ้าวาดก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะไหนแต่ดีว่าของมา ย, ยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดกันนะไหนเป็นแล้วจะนอนไม่หลับนะะแต่และอย่างนี่มีแนละ้วมันร่าวร้อนทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นที่กล่าวไปทั้งหมดนะ11เในนะเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนานะผู้ที่พิจารณาหนึ่งะเหมือนชิ้นเนื้อสองเหมือนคบเพลิงสเหมือนหลุมฐานเพลิงสี่เหมือนความฝันห้าเหมือนของขอยืมอันนะหกนะข้อแรกก่อนนะข้อหนึ่งโครงกระดูกนะโทษทีข้อหนึ่งโครงกระดูกข้อ2ชิ้นเนื้อข้อสคบเพลิงข้อสเหมือนหลุมฐานเพลิงข้อห้าเหมือนความฝันข้อหเหมือนของขอยืมข้อเจเหมือนผลไม้มีผลดกข้อ8ก็เหมือนดาบเหมือนมีด ข้อเ้าเหมือนหอกเหมือนหลาข้อสิบเหมือนหัวงูข้อ1ิเหมือนกองไฟเนี่ยนะพิจารณาทุกอารมณ์นะถ้าไม่ได้อันนี้จะโตทุกขโตโรคโตก็ช่างเอาแบบนี้ก็ได้นี้ก็วิปัสสนาเหมือนกันเนี่ยมีนาฬิกาก็โครงกระดูกชิ้นเนื้อคบเพลิงลุ่มฐานเพลิงความฝันขอยืมผลไม้ผลดอกมีเหมือนดาบเหมือนหอกเหมือนหลาวเหมือนหัวงูเหมือนกองไฟเนี่ยนะเห็นทุกอย่างเนี่ยพิจารณาอย่างนี้หมดก็พ้นทุกได้เนี่ยนะ เพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าการพิจารณาเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเนี่ยนะมันไปที่ไหนก็เออเนี่ยฝันมาเนี่ยนะตรงนี้ยเหมือนฝันนะ น, นั่นนะอะไรนะ เ, น เ, เอา้าฝันหรือเปล่าล่ะฝ <laughs> ันมาเข้ามาแล้วก็จากไปใช่ไหมเปลวเข้าแล้วก็เปลวออกเปลวเข้าแล้วก็เปลวออกมันก็ฝันนี่นั่นแหละ สตังเนี่ยจริงๆนะสตังกับเขาบอกว่าสตังกับสตรีเนี่ยคือหัวงูจริงๆเลยเนี่ยมันน่ากลัวพอๆกันนะนะถ้าพูดนี้ผู้ชายพูดนะผู้หญิงพูดก็เหมือนกันไอ้สตังกับบุรุษเนี่ยมันก็หัวงูเห่าดีๆนี่แหละมันน่ากลัวพอๆกันนั่นแหละเหมือนกนแต่ก็มันก็เข้าเขาละเห็นเมื่อไหรก็ยิ้มแป่ไม่ได้ก็เสียใจอันนี้เ่กยเดี๋ยวสตังกับศัตรูมันจะทําลายเราเขาเนี่ย <c oughs> ที่กล่าวไปเนะีเป็นวิปัสสนาทีนี้มาดูสมถะสมถะที่เป็นอุปจารสมาธิก็คือด้วยการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตานุสติอันนี้ก็เป็นการข่มกามเหมือนกันเพราะไรเพราะว่าขณะที่เจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยนะราคะก็ไม่เกิดใช่ไหมโทสะก็ไม่เกิดโมหะก็ไม่เกิดในขณะนั้นขณะนั้นก็เป็นการข่มกามด้วยสมถะเนี่ยนะข่มด้วยการเจริญตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า นะกิเลสก็ไม่กลุ่มรุมใช่ไหม เ, เราก็ไม่ปรารถนาวัตถุ ก, กรรมนะขณะที่เจริญพุทธานุสติแล้วก็ไม่เศร้าโศกเสียใจยเพราะวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติเนี่ยนะเจริญสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอันนันก็คือเจริญอนุสติหกนี่ก็เจริญอนานาปานาสตินะก็ข่มกามเหมือนกันเจริญมรณานุสติ ละลึกถึงความตายเนี่ยนะก็ข่มกามได้เหมือนกันหรือเจริญอุปสมานุสติละลิกถึงกายยคตาสตินะกายยคตาสติก็แบ่งเป็นผมขนเล็บฟันนังเนี่ยนะพวกนี้ก็ข่มกิเลสกามได้เหมือนกันหรือว่าเจริญกายยคตาสติอุปสมานุสติในอนุสติ10บเนี่ยนะอนาปานาสติเนี่ยทำให้ได้ฌาน กายคตาสติก็ได้ฌานที่เหลือก็ได้ประมาณอุปจาระแต่ขณะนั้นก็ขมราคะเป็นต้นได้นะเพราะจิตใจก็จะไม่ข้องกับวัตถุ ก, กามด้วยอำนาจกิเลสกามในขณะที่เจริญอนุสติทั้งหลา ย, า ย, าลยก็คือระลึกถึงพระคุณของพระนิพพาน น, นะเช่นว่าระลึกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนเพราะกามเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายเาเพราะเขาไม่เห็นพระนิพพานที่สงบระ ง, งับจาก ธรรมะเหล่านี้นะการพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละก็ทําให้สงบกิเลสได้ใช่ไหมนี่นะที่เขามาเกิดมาเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นนิพพานนะเขาจึงทุกข์ร้อนขนาดนี้นะก็พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็สงบกิเล ส, สกามได้นะก็เว้นขาดจากขมได้นะ เ, เห็นเลยปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่เขาเดือดร้อนร้าร้อนเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นนิพพานนะเขาจึงเดือดร้อนเร่าร้อนกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะการ น, นี้ก็เป็นการเจริญอุปสมานุสติได้เหมือนกัน หรือในบรรดาสมถะทั้งหลายเนี่ยนะทั้งกระสินสิบอสุภาพสิเป็นต้นเนี่ยที่ที่ทำให้ได้ฌานก็ถ้าเข้าปฐมฌานเข้าทุติยะฌานตาติยะฌานจตุทะฌานหรือเข้าอารูปฌานทั้งสี่เนี่ยนะอากาส า, า, าัญจายตนะปิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะอย่างนี้แหละเรียกว่ า, เ, าเป็นการเว้นขาดจากกามโดยการข่มไว้ด้วยสมาบัติทั้ง8ดเนี่ยนะทั้งรูปฌานและ อรูปฌปานถ้าได้ฌานก็เป็นการข่มกิเลสกรมในขณะนั้นนั้นนะขณะที่เข้าฌานก็เป็นการข่มโดยสรุปที่กล่าวไปก็คือถ้าขณะเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสนาขณะนั้นก็ข่มกิเลสกรรมเพราะตัวกลามจริงๆแล้วเน้นไปที่ตัวกิเลสกรรมเป็นหลักนะนะพระอรหันต์ท่านก็ยังอยู่ในวัตถุกรามแต่ท่านไม่มีกิเลสกรมเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยถือเอากิเลสเป็น เป็นหลักเป็นประมาณเนี่ยนะะขณะที่อบรมเจริญสมถะและวิปัสสนาก็เป็นการออกจากกามโดยการข่มไว้หรือหลีกจากกามโดยการข่มเอาไว้ทีนี้มาดูโดยการตัดขาดเนี่ยนะถ้าจะตัดกิเลสกามได้อย่างบริบูรณ์เบ็ดเสร็จก็คือบุคคลผู้เจริญโสดาปฏิมักย่อมเว้นขาดกามอันให้ไปสู่อบายโดยเด็ดขาดถ้าโสดาบันนะ ปฏิสนธิในในรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่จะต้องไปวุ่นกากามพวกนั้น่ะตัดขาดออกไปเนี่ยนะตัดขาดทั้งกิเลสกามและวัตถุกรมที่เป็นของอาบายด้วยโสดาปฏิมัก